Thank mm -hmm. you. ทมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วที่ใจอันนี้เป็นพุทธภาษิตที่เชื่อว่าผ่านตาผ่านหูนะของพวกเราหลายคนโดยเฉพาะที่มาจำบัญษาหรือว่ามาปฏิบัติที่นี่ติดต่อกันหลายวนะันทมทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็รวมถึงกุศลธรรมและอกุศลธรรมด้วย หมายความว่าความดีก็ตามความชั่วก็ตามที่แสดงออกมาทางกายวาจาเนี่ยมันก็มีใจเนี่ยเป็นที่มาถ้าหากว่าใจดีใจงามนะก็ย่อมพูดดีคิดดีพูดดีและทำดีความดีนะที่ออกมาจากกายวาจามันก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพราะใจนะ ในทางตรงข้ามถ้าใจบาปนะใจชั่วนะไม่ว่าคิดไม่ว่าพูดหรือทำนะมันก็ไม่ดีทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งนะของอข้อความที่ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันนะมันอยู่ที่ใจเป็นสำคัญอย่างที่มีสำน ว, นวนว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะ ครับที่ไม่เป็นไรนะถ้าใจเนี่ยเป็นอิสระคนที่ติดคุกนะร่างกายก็ถูกจองจําแต่ว่าถ้าเขาไม่ปล่อยใจให้จมนะอยู่ในความทุกข์หรือว่าถูกจองจําด้วยความทุกข์แล้วเนี่ยก็ก็อยู่ในคุกอย่างมีความสุขได้นะอย่างหาธรรมขานทะีในสายพุทธการก็มี อํามากคนหนึ่งนะถูกจองจำแต่ก็ปฏิบัติธรรมจนเขาเป็นพระโสดาบันหรืออย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถูกลูกชายคืออาชาติศัตรูเนี่ยจองจําอยู่ในคุกนะนะเรียกว่าเป็นลูกที่ในละคุณนะอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้ราชบัลลังก์แต่ว่าพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรแม้ว่ากายจะลําบากในตอนท้ายนี่ก็ถึงกับถูก ลูกชายนี่ทรมานอมีกรีดเท้านะแต่ว่าเมื่อจ่บบาผิวสานก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเพราะว่าใจเป็นอิสระในทางตรงข้ามนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในคฤหาสน์ปราสาทชวังแต่ว่าถ้าใจทุกข์ใจไม่มีที่เกาะเกี่ยวก็เหมือนกับอยู่ในนรก แล้วก็บางทีก็ต้องหาทางออกมาอย่างพยาาัสสะเนี่ยตอนที่เป็นคารวาสก็อยู่ในปราสาทสฤดูนะคล้คลายๆกับเจ้าชายสิท ธ, ธรรถถัตถะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยรวยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีความสุขนะกายก็สุขมีการปนเปื้อนทั้งตาทางทางตาทา ง, ง, งหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมี ดนตรีขับกลมมีผู้หญิงมาปลนเปรอแต่ว่าใจเนี่ยไม่รู้สึกถึงความหมายของชีวิตท้ายก็ต้องเดินนะหนีออกมาจากบ้านก็เป็นเหตุให้ะไปพระพุทธเจ้านะเพราะว่าพอเดินจากบ้านแล้วก็ไม่รู้ไปไหนก็เดินตุรดตุเลไปจนกระทังเข้าไปในป่าอิสิปฏตนะ เดินไปก็พูดไปที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหน อ, อไม่ใช่พวกว่าวุ่นวายหนอขัดข้องหนอะูุจ้าไดหญิงก็เลยตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องพยัสส า, านี่ก็เป็นตัวอย่างคนที่เรียกว่ากายสบายนะแต่ว่าใจเนี่ยไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาความสุขได้ยากแต่สุดท้ายนะก็ได้มาพบกับ ความสุขจากธรรมะพระพัิยาก็เหมือนกันนะพระพัิยาเนี่ยเคยเป็นเจ้าชายนะแล้วก็มีอำนาจในการาว่าการในกรุงกบิลพัทเพราะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็จะพัฒจับพลูนะออกบวชตามญาติคนอื่นๆไม่ได้มีศรัทธาเลยหรอก แต่แล้ ว, วันหนึ่งนะหลังจากที่ปฏิบัติอย่างจริงจังอยู่ได้ไม่กี่ปีะนะท่านก็บรรลุธรรมมีวันหนึ่งท่านก็ปรารัขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอ mm. เพื่อนพระก็คิดว่าท่านนึกถึงความสุขสมัยที่ยัง อ, อยู่ปราสาทราชวังก็ไปทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาถาม ท่านก็บอกว่าเนี่ยสมัยที่ยังอยู่ในประสาตรรัชวังมีองครักษ์คอยดูแลมีสิ่งปนเปื้อก็หามีความสุขไหมแต่พอมาบวชนะถือผ้าครองผ้าสามพื้นฉันวัละมือ้อนอนใต้ต้นไม้ถือธุดงคขวัดนะกลับมีความสุขคือกายก็ไม่ได้สุขสบายนะแต่ว่าใจเนี่ยนะสุขเต็มที่เลยนะ อันนี้ก็เป็นการยืนยันนะว่าฝึกลดทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจอรา น, นี้ทําทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นใหญ่เนี่ยนะมีใจประเสริฐสุดเนี่ยมันยังมีความหมายมากกว่านั้นนะเช่นการรับรู้ของคนเราเนี่ยเราจะรับรู้อะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ใจเป็นสําคัญนะถึงแม้ว่าจะเป็นการรับรู้ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามคนมาไปคิดว่าการรับรู้สิ่งที่เรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยต้องอาศัยตานะหูจมูกลิ้นกายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะไม่สำคัญเท่ากับใจเราเคยสังเกตไ มีคนเรียกเรามีคนคุยกับเราแต่เราไม่ได้ยินทัะงทั้งที่เสียงเขาเนี่ยมันก็กระทบหูเราเพราะอะไรเพราะตอนนั้นเราอาจกําลังอา่านหนังสืออาจกําลังดูดอกไม้หรืออาจกำลังใจลอยก็ได้ใจเนี่ยมันไม่ได้เปิดรับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้มีเสียงมากระทบหูเนี่ยแต่ก็ไม่มีการรับรู้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าไม่มีโสตะวิญญาณ วิญญาณในที่นี้คือการรู้อารมณ์นะไม่ใช่วิญญาณเป็นดวงดวงบางทียุงมากัดเราที่แขนที่ขาแต่ว่าใจเรากำลังอยู่กับการสวดมนต์นะเราก็ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกคันนะแต่พอสวดมนตน์เสร็จอก็รู้สึกคันขึ้นมาแล้วหรือบางทีเรากำลังเล่นไลน์นะเล่น a c e b o o k เนี่ย ยุ่มากัดนะไม่รู้สึกนะแต่พอเล่นจบอ่ะรู้สึกคันละมันมีสัมผัสที่กายเกิดขึ้นนะไม่ใช่สัมผัสธรรมดาเนะเป็นความเจ็บความปวดความคันแต่ว่าใจตอนนั้นมันไม่ว่างมันไปนรับรู้อย่างอื่นแทนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับรู้ทางกายรวมทั้งเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นการรับรู้รูปก็เหมือนกันนะรูปในะนี้เราก็คิดว่ารับรู้ทางตา แต่ก็เหมือนกันแหละต้องอาศัยใจเป็นสําคัญนะเราเคยนะอาจจะเคยผ่านนะหรือเคยเห็นรูปบางรูปเราก็มองว่าเป็นรูปผู้หญิงแก่ๆ แ, แต่คนเนี่ยมองว่าเป็นรูปหญิงสาวนะนะอันนี้มันมีรูปนะให้เราเห็นอยู่อันนี้รูปแบบนี้ก็แพร่หลายไปทาง Facebook ทางไลน์เหมือนกัน คนหนึ่งเห็นเป็นรูปหญิงแก่อีกคนหนึ่งเปรูปเห็นเป็นรูปหญิงสาวรูปเดียวกันนะและรูปมันก็กระทบตาเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่รับรู้ทางใจเนี่ยมันไปคนละเรื่องนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนไปกว่า น, นั้นเยอะนะก็เคยมีการทดลองนะให้คนดูคลิปวิดีโอ มันเป็นคลิปธรรมดารรมดาเป็นรูปนักกีฬาประมาณ10คนสองทีมเป็นนักบาสเกตบอลต่างก็โยนลูกบาสเกตบอลให้กับคนในทีมเดียวกันเช่นทีมใส่เสื้อสีขาวนะก็โยนให้คนที่เป็นเพื่อนร่วมทีมแล้วเขาก็ให้เนี่ยให้คนดูนับว่ามีการโยนบอลเนี่ย ให้กับทีมเดียวกั น, น่กี่ครั้งก็ดูประมาณสัก1นนาที2นาทีเท่านั้นแหละพอดูจบนะหลายคนก็นึกในใจแล้วว่าโยนโยนกี่ครั้งนะคนชายเนี่ยก็กถามว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมีการโยนบอลเนี่ยกี่ครั้งคนนึงก็บอก2 0คนอีกคนนึงก็บอก 21, อีกคนหนึ่งก็บอก22ครั้ง นะตัวเลขที่ต่างกันนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่จูจูคนฉายคลิปวีดีโอนั้นก็ถามว่าเมื่อกี้เห็นกอริลลาไหมคนในในวงนั้นนีงงเลยนะถามอะไรอะ่ะมีกอริลลาด้วยเหรอเขาบอกมีสิมันมาเดินตบอกนะอยู่ตรงกลางจอเลยส่วนใหญ่ไม่เชื่อนะ เขาก็เลยฉายคลิปวิดีโอซ้ำให้ดูอีกทีก็เห็นเลยนะมันมีคนแต่งชุดกอริล่าสีดาเนี่ยนะตัวใหญ่ๆเดินมากลางวงเลยนะขณะที่กำลังมีการโยนบอลกันแล้วก็ตบอกนะเหมือนกับกอริล่าในหนังนะบอกว่าคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นทั้งที่มันอยู่ต่อหน้าต่อตาถามว่าภาพกอริล่าเนี่ยมันมกระทบตาหรือเปล่านะกระทบแน่นอนเพราะว่า ทุกคนเนี่ยจ้องไปที่จอแล้วก็นะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันเห็นไม่หมดนะคำถามคือทำไมไม่เห็นกอริลลาที่มันอยู่กลางจอนะก็เพราะว่าตอนนั้นใจเนี่ยมันโมไปจดจออยู่กับการนับลูกบอลกอริลาก็ไม่ได้อยู่นอกจอนะเออถ้าหากว่ามีคนหนึ่งอยู่นอกจอเร า, า จ, จะมองไม่เห็นนะก็ธรรมดาเพราะใจเราเนี่ยมันไปจดจออยู่ที่ เพราะตาเราไปจดจ่ออยู่ที่ภาพในจอแต่การทดลองนี้ชีอบอกว่าแม้แต่สิ่งที่มันปรากฏอยู่กลางจอนะแต่ถ้าใจเราไปสนใจอย่างอื่นนะมันก็มองไม่เห็นนะอันนี้มันชี้เลยนะาการรวบรวมคนเราเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นรูปธรรมทางตาเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เป็นเสียงได้ยินทางหูเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะเป็นสาคัญนะ มีตายอย่างเไม่พอนะตามองตาเปิดแต่ตาอาจจะไม่เห็นนะไม่เกิดจกักุวิญญาณ น, นะอันนี้เรียกว่าภาษาพูดทำไม่ได้ว่าไม่มีการรับรู้รูปที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเพราะใจเนี่ยมไปสนใจอย่างอื่นไม่ใช่ใจลอยนะใจมันก็สนใจภาพที่อยู่ข้างหน้าแต่ไปสนใจลูกบอล น, นะมันก็เลยไม่เห็นออกอริลลานะ ที่อยู่เป็นแบ็ k กราวน์ของลูกบอล น, นั้นนะอันนี้เข า, ามีการทดลองหลายแบบนะสารพัดเลยนะไปดูได้ใน y o u t u เนี่ยซึ่งมันชี้ให้เห็นเลยนะว่าคนเราเนี่ยแม้แต่การรับรู้สิ่งที่มันเป็นเรื่องรูปธรรมหยับหยากเนี่ยใจสำคัญมากนะไม่ใช่ว่ามีตาอย่างเดียวจะมองเห็นความจริงที่ซับซ้อนกว่านั้นเนี่ยก็ยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่นะ นขนาดความจริงง่ายๆเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นนะการรับรู้คนเรานะการที่คนเราจะเห็นความจริงหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ใจถ้าใจเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะหรือคิดไปอีกอย่างหนึ่งนะมันก็ไม่เห็นนะอย่างเราคงจำได้เรียนวิทยาศาสตร์มาเนี่ยกาลิเลโอบอกว่าโลกนี่นะหมุนรอบดวงอาทิตย์แต่ว่าคนสมัยนั้นเนี่ยถูกฟังหัวมานานนะว่า ดวงอาทิตย์ต่างหากหมุนรอบโลกกาลิเลโอเนี่ยเอาหลักฐานมาให้ดูอาศัยกล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์เนี่ยดูเสร็วว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราอะหมุนรอบดวงอาทิตย์แต่กี่คนกี่คนก็ไม่ยอมรับหรือมองไม่เห็นนะก็ยังยืนยันนะว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกนะจนกระทั่งกาลกิเลโอนี่เกือบจะตายนะเพราะว่าศาสนจักรหาว่าสอนผิด อไอดวงอาทิตย์กับโลกนี่มันก็มันอยู่ไกลนะเอาง่ายๆก่อนนั้นก็ได้สมัยก่อนเนี่ยนะสัก 2,000 ปีมาแล้วเนี่ยมันมีปรมาจารย์ด้านการแพทย์นะเป็นชาวโรมันชื่อว่ากาเลนเขาบอกว่าปอดคนเราเนี่ยมี5กลีบนะแล้วคนก็เชื่อเลื่อยมานะว่ามี5กลีบนะนนี้กาเลนพูดอย่างนี้เพราะว่าเขา อาศัยการพาศพนะของสัตว์นะสมัยนั้นเนี่ยมันพาศพมนุษย์ไม่ได้ก็พาศพของสัตว์นะไม่รู้สัตว์ชนิดใดนะเห็นท่ากรีบก็เลยสอนกันเรื่อยมาจนกระทั่ง เ, เมื่อสัก 300-400 ปีมาเนี่ยมันมีหมอชาวอังกฤษชื่อฮาวีเขาเนี่ยลงทุนพาศพนะคนนะแล้วพบว่ากรีบ ปอดของคนมมี4กรีบนะก็พยายามบอกคนนะว่าไอ้ที่สอนกันมาเป็นพันๆปีมันผิดปอดคนไม่ได้มี5กรีบมี4กรีบขนาดเนียหลักฐานมันเห็นอยู่ตาตานะว่าปอดคนมัมี4ีกรีบคนยังไม่ยอมรับเลยเพราะอะไรเพราะในใจเนี่ยมันเชื่อว่ามี5กรีบนะไอ้สิ่งที่เห็นด้วยตาเนี่ยนะแม้แต่ แม้แต่จะแจมแจ้งแดงใจแต่คนไม่ยอมรับเพราะว่าความเชื่อมันไปอีกทางหนึ่งฮาวีก็พยายามอธิบายสุดท้ายก็เลยบอกว่าเออคงเพราะสมัยนั้นเนี่ยคนมีปอดหกลีบแต่สมัยนี้คนมันเหลือปอดแค่สกลีบเอ่ก็เลยเอาก็เลยกลมกล่อกันไปได้นะเลิกเถียงกันนะคือหมายความว่ากาเล็งก็ถูกนะที่บอกว่าปอดคนมีหกลีบแต่โนดมันสมัยก่อนแต่สมัยนี้คนมีปอดสี่กลีบนะ ก็คนก็เลยอายอมรับได้นะนี่ขนาดนี้นะอย่าว่าแต่คนโบราณนี่โง่นะคนสมัยนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะฉลาดนะทุกวันนี้มีคนเชื่อว่าโลกแบนอยู่เลยนะไม่ใช่คนในป่าเขาที่ไหนนะคนในประเทศเอังกฤษอเมริกาเนี่ยเขามีสมาคมโลกแบนมีสมาชิกหลายพันคนนะเพราะว่าเขาเชื่อตามคำภีรไบเบิล น, นะ คำพี่ไบเบิลเนี่ยนะมีการตีความว่าเนี่ยโลกนี้แบนแล้วพวกนี้ก็เคร่งาศาสนาก็ต้องเชื่อนะเพราะถือว่าคำพี่ไบเบิลเนี่ยเป็นพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าว่ายังไงก็ต้องก็ต้องอย่างนั้นแหละโลกแบนขนาดเนี่ยเอาภาพถนะ่ายของนักบินอวกาศเนี่ยนะที่โคจร อ, อยู่ในรอบโลกนะยานอาวกาศลมแล้วลัเล่าแล้ ว, ลลวก็ถ่ายรูป ว่าโลกนี่มันกลมเอาไปให้ผู้นี้ดูผู้นี้ยังไม่เชื่อเลยบอกว่าของแบบนี้ภาพแบบนี้มันหลอกกันได้นะนี่มันชี้เลยนะว่าคนเราเนี่ยนะความเชื่อสำคัญมากนะความจริงมันเป็นอย่างไรถ้ามันขัดแย้งกับความเชื่อก็ไม่มีทางยอมรับหรือว่ายอมรับกันได้ยได้ยากนะทุกวันนี้มีคนจำนวนมากที่เชื่อว่าอเมริกาไม่ได้ส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์นั่นนะที่ว่ามี ยานนักบินอวกาศไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วพวกนี้ตั้งแต่อ p o l l o 11ไอพวกนี้โกหกทั้งเพเนยนะเอาหลักฐานม่คนนี้คนที่บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเหยียบดวงจันทร์แล้วเนี่ยเอาหลักฐานมายังไงพวกนี้ก็ไม่เชื่อนะหลักฐานนี่มันก็เป็นภาพถ่ายสารพัดแต่ว่าใจเนี่ยนะมันไม่ยอมรับเพราะว่ามันขัดแย้งกับความคิดและความเชื่อของตัว เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีคนที่ยังเชื่อว่าอย่างโอบามาเนี่ยเป็นมุสลิมบ้างหรือไปเกิดที่ประเทศเคนยาบ้างขนาดเอาใบเอาใบเอาสุติบัตรนะของฮาวายมายืนยันว่าเนี่ยโอบามาเกิดที่ฮาวายเนี่ยคนเป็นล้านๆยังไม่ยอมเชื่อเลยนะเพราะว่าใจเนี่ยนะมันฝังมันปักใจ เชื่อแล้วว่าโอบามาเนี่ยเกิดที่แอฟริกานะสูติบัตเอามายืนยันยังไงก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนใจคนเหล่านี้ได้เพราะว่าใจเนี่ยมันเชื่อแบบเชื่อตรงกันข้ามไปแล้วแม้แต่เหตุการณ์11กันยานะซึ่งเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะครบ15ปีเนี่ยคนจำนวนมากก็ยังเชื่อเลย ว, ว่ามันเกิดจากฝีมือ C.I.A. บ้างเกิดจากฝีมือพวกยิวบ้างไม่ใช่เกิดจาก ชาวซาอุนะที่ยึดเครื่องบินแล้วก็ขับครื่อมีไปชนตึกเว r ล d t เทรดอันนี้ก็เป็นนะตัวอย่างที่นะชี้เห็นว่าทำทั้งหลายเนี่ยนะมันมีใจเป็นใหญ่จริงๆนะมีใจประเสริฐสุดนะแล้วครันี้มันโยงกับเรื่องธรรมะยังไงนะมันโยงกับเรื่องธรรมะ ก, ก็เพราะว่าแม้พระพุทธเจ้าจะสอนนะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะคือสอนเรื่องพระไตรลักษณ์นะแต่คนจนวนมากนี้ก็ยังนะยังไม่สามารถจะซึมซับนะหรือยอมรับเอาความจริงอันนี้ได้เพราะว่าใจเนี่ยนะมันมีความยึดมั่นถือมั่นนะมันมีความอยากจะให้สิ่งทั้งปวงเที่ยงอยากจะให้สิ่งทั้งปวงเป็นสุขนะ มีความยึดมั่นถือมาว่าสิ่งทั้งหลังงปวงมันเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เล็กหรือว่าเป็นสิ่งที่นึ ก, กทึกทักที่ตราเองนะมาตั้งแต่จำความได้แล้วก็อย่างนึงอาจจะเป็นเพราะคนเรานี่มันกลัวความไม่แน่นอนนะกลัวความตายไม่ยอมรับว่าชีวิตนี้มันไม่จริงรังนะก็เลย ก็เลยไม่ยอมรับเรื่องพไตรัรักทั้งนั่งที่กดพไตรัยรักนี่ก็แสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีไม่ต้องดูอื่นกายก็ดูจากร่างกายเราเนี่ยมันะก็เปลี่ยนแปลงไม่สามารถจะอยู่ในอิเรียบทใดอิเรียบบนหนึ่งได้นานๆนะั่งไปสักพักก็ต้องขยับขนาดเอหลังนะก็ยังเอไม่ได้นานนะก็ต้องลุกขึ้นมายืน หรือนอนเนี่ยนะพอนอนได้สักพักก็เมื่อยนะไม่ขยับก็ต้องลุกขึ้นมานะอันนี้มันก็แสดงทั้งทุกขังแล้วก็อ น, นิจจังนะไปพร้อมๆกันเพราะอะไรเพราะว่าเบื้องหลังของมันก็คืออนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถจะบังคับเป็นไปตามใจได้อยากจะให้มันไม่เมื่อยมันก็เมื่อย อยากจะให้มันสุกนะมันก็ยังมีทุกข์นะถึงแม้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะแต่ว่าก็อาจจะหิวนะหรือไม่ก็ต้องเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาเพราะร่างกายเป็นกองทุกข์เราเรียกว่าเราเรียกห้องน้ำว่าห้องสุขขาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นที่ปลดทุกข์การที่มีทุกข์ให้ปลดเนี่ยนะเพราะว่า ร่างกายเนี่ยมาเป็นกองทุกข์แล้วมันไม่ใช่ทุกข์เป็นครั้งเป็นคราวมันทุกข์ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่สังเกตนะและไม่ใช่ไม่สังเกตอเองด้ว น, นะมันไม่ยอมรับด้วยเพราะยังอยากจะคิดอยากจะยึดว่าสังขารนี่เป็นสุขนะแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าความไม่จรังยั่งยืนรวมทั้งความตายเนี่ยก็รู้ทั้งรู้นะคนเราต้องตาย แต่ว่าใจมันยังไม่ยอมเชื่อทีเดียวเพราะว่ามันมีความยึดว่าอยากให้ร่างกายนี้หรือกูคนนี้เนี่ยอยู่ข้างฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะมีสิ่งที่มามาบอกมาเตือนถึงความไม่เที่ยงของชีวิตสิ่งที่มาบอกมาเตือนเนี่ยเราเรียกว่าเทวทูตเทวทูตนี่ไม่ใช่เป็นเทวดานะมา เปิดเผยความจริงให้กับเราไม่ใช่นะเทวทูตเนี่ยผู้เจ้านี่หมายถึงคนเกิดเช่นทารกคนแก่คนเจ็บคนที่ติดคุกถูกลงโทษเพราะทําชั่วและคนตายเนี่ยพวกนี้คือเทวทูตนะบางทีเทวทูตก็มีสามนะอย่างที่เจ้าช้ยศิทธถาไปพบเทวทูต ก็คือก็คือเจอคนธรรมดานั่นแหละนะที่กำลังเจ็บหรือคนแก่และคนที่ตายแต่ว่าเนื่องจากเจ้าชายสุทธัศธน์เนี่ยเป็นคนฉลาดแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเออเป็นคนที่วัยนะพอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยนะก็รู้สึกสะเทือนรู้สึกเกิดข้อสงสัย เพราะว่าสิ่งที่ถูกสอนมาเนี่ยมันตรงข้ามเพราะไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพอเห็นข้ามก็สะเทือนแล้วก็ทำให้เกิดความสงสัยในชีวิตแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเจออาจจะเพรเจอแล้วเจออีกจนจนชินชาก็เลยไม่รู้สึกว่านั่นคือเทวทูตนะแต่ถ้าแต่ถ้าตายเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะถูกสักถามนะ ในพระไตรปิฎกเนี่ยเคยเล่าแล้วเนี่ยคนชั่วคนนึ่งนะชายที่ชั่วคนหนึ่งเนี่ยเมื่อตายไปแล้วก็ไปเจอพยายมพยายมันาก็ถามว่าเคยเจอเทวทูตห้าไหมบไม่เคยพยายมก็บอกจะไม่เคยได้ยังไงเจ้าเนี่ยเคยเห็นเด็กเกิดไหมเคยนั่นแหละเทวทูต เ, เคยเห็นคนแก่คนเจ็บนะ คนติดคุกเพราะทำชั่วหรือคนตายไหมเคยนั่นแหละเทวทูตเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ไร้เดียงสานะเป็นคนที่รู้เดียงสาเห็นเทวทูตแล้วยังทำชั่วอีกสมควรจะไปนรกนะและ้วพเจ้าก็พันนานวนรนะกที่ชายชั่วคนนั้นไปนี่เป็นอย่างไรที่จริงเนี่ยเทวทูตมันก็ปรากฏให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาใบไม้ที่ร่วงพ่อแห้ง ตอนนี้ใบไม้ก็เริ่มแห้งแล้วก็เริ่มร่วงนะดอกบัวที่มันเหี่ยวเฉาเวลาที่เปลี่ยนจากเช้าเป็นกลางวันแล้วก็พระเพแล้วก็คำ่ำแล้วกลับมาเช้าพวกนี้แหละเขาแลงแสดงทำให้เราเห็นเรื่องอนิจจงนะต้นไม้ที่ตายก็แสดงให้เราเห็นถึงเรื่องทุกข์ขังนะที่เกิดแล้วก็ต้องเสื่อมต้องดับไป มันก็แสดงให้ความจริงก็แสดงให้เราเห็นอยู่ททนโทนะแต่ว่าเราไม่ยอมรับนะภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเราไม่เก็ตนะพราะใจเนี่ยมันมีความเชื่ออีกแบบหนึ่งยังมีความยึดอยากให้ร่างกายนี้มันเป็นอมตะอยากให้ชีวิตนี้มันยั่งยืนนะยังอยากจะเชื่อว่าชีวิตนี้ร่างกายนี้เป็นสุขนะแล้วก็เป็นตัวเป็นตนเนะี่ย นี่ขนาดอะไรที่มันเห็น ง, ง่ายๆชัดๆยังไม่ยอมรับเลยนะเช่นกรีบปอดคนเนี่ยมีสี่ไม่ใช่5้าหรือว่าโลกเนี่ยมันกลมนะไม่แบนเนี่ยขนาดเห็นชัดๆแบบนี้ยังไม่ยอมรับเลยนับประสาอะไรกับสิ่งที่มันเป็นดูเหมือนจะลึกกว่านั้นนะเช่นอันที่จังทุกขังอนัตตานะใจเรามันก็ปฏิเสธแต่ว่าฝึกได้นะใจเราเนี่ย การฝึกให้ยอมรับนะเรื่องพระไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขอังอนัตตาเช่นการไปงานศพการดูศพนะที่ที่แปดเปลี่ยนไปหรือแม้แต่มาดูอะไรที่มันดูเดือดน้อยกว่านั้นก็ยังได้นะเช่นกลับมาดูกายดูใจการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยคือการฝึกให้ใจเนี่ยมาเห็นความจริง เริ่มจากการเห็นของจริงก่อนของจริงคืออะไรก็คือกายกับใจนะเห็นของจริงก็เห็นความไม่เที่ยงนะที่มันขยืนขยับเห็นทุกข์นะที่เกิดกับกายยามที่มีความปวดความเมื่อยขึ้นแล้วก็เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันสั่งมันบังคับบัญชาไม่ได้มันปวดท้องบอกให้มันหยุดมันปวดหัวบอกให้มันไม่ปวด นะมันเริ่มเหี่ยงยนบอกว่าอย่าเหี่ยงอย่าย่นมันก็ไม่ยอมนะหรือว่าดูใจนะดูใจที่มันฟุ้งซ่านนั่งๆที่อยากจะให้มันนิ่งให้มันสงบอุตส่ามาวัดนะเสียเวล่มเวลาก็เพื่อหวังความสงบแต่ว่าใจเนี่ยมันกับพยศนะปั่นป่วนหาความฟุ้งซ่านไหมหาความมีแต่ความฟุ้งซ่านนะ อันนี้มันก็สอนนะมันก็แสดงนะแสดงให้เห็นหนึ่งความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใจนี่เป็นอนัตตาบังคับให้ได้แต่ในเราเดียวกันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในความฟุ้งซ่านเองมันก็ไม่จริงรังนะถ้าไม่หมั่แต่มาลาคาญหงุดหงิดที่ใจมันฟุ้งซ่านหรือว่ามีความฟุ้งซ่านเยอะเหลือเกินถ้าลองดูมันเฉยเฉยะนะแค่ดูเฉยเฉเนะี่ยหรือรู้เฉยเเนี่ยนะมันก็จะเห็นเลยนะไออารมณ์พวกเนี่ย ไม่ว่าบวกหรือลบความคิดไม่ว่าบวกหรือลบมันล้วนแต่ไม่เทียงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะพวกนี้เนี่ยอารมณ์เหล่านี้ความคิดเหล่านี้เนี่ยมันก็แสดงความจริงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่หมวแต่ไปสู้ลบตบมือกับมันหรือว่าไม่มัวแต่ปล่อยให้มันลากลู่ถู ก, กังไปผู้งานคือไม่ตามแล้วก็ไม่ต้าน ไม่ผักไซแล้วก็ไม่หวังยึดครองความคิดหรืออารมณ์ใดๆเนี่ยแค่ดูเฉยๆเนี่ยก็จะเห็นไตลักษณนะ์ที่มันแสดงออกมาแม้แต่ความโกรธความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดความเบือ่อมันก็ให้สอนธรรมะที่เป็นของดีกับเราได้ถ้าใจเราเป็นกลางนะแต่ถ้าใจเราไม่เป็นกลางมันมีความยึดความอยากให้สงบมันไม่ชอบความหงุดหงิด ไม่ชอบความโกรธความฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะใจไม่เป็นกลางเนี่ยนั่นก็ไม่สามารถจะเห็นความจริงได้เพราะมันมีอคตินะอคตินี่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ใจไม่เปิดรับความจริงนะเมื่อมีอคติมันก็เหมือนกับแก้วน้ําที่มีน้ําอยู่เต็มเป็นน้ําที่ขุนด้วยนะจะเติมน้ำใส่ลงไปยังไงมันก็ล้นออกหมด สัจธรรมความจริงเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นตลอดเวลาผ่านเทวทูตบ้างนะหรือว่าผ่านสิ่งของต่างๆที่เรว่าสังขารไม่ว่าภายในหรือภายนอกแต่ว่าใจเนี่ยนะมันไม่เปิดรับเพราะว่าไม่ชอบอารมณ์ต่างๆที่เป็นลบหรือไม่ก็เพราะ ถล่เข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นเข้าไปในความกลัวเข้าไปในความเกลียดเข้าไปในความฟุง้งซ่านก็เลยไม่เห็นความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันยึดติดเอาไว้อคติที่ฝังแน่นว่ากายและใจนี่เป็นของกูเป็นตัวกูเที่ยงเป็นสุกเนี่ยมันก็เลยยังฝังแน่นอยู่ในใจและสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทให ใจเราเนี่ยไม่สามารถจะยอมรับความจริงที่กายและใจเนี่ยหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมันแสดงออกมาได้รวมทั้งมองไม่เห็นเลยนะว่ามองไม่เห็นความจริงที่เทวดาทูตได้แสดงตัวหรือได้บอกเราแต่เราก็อย่าท้อถอยนะก็ทำไปเรื่อยๆนะฝึกสติเจริญสติไปพยายามทำใจเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นกับกายแล้วเกิดขึ้นกับใจก็ดูมันอย่าเข้าไปเป็นมันนะ ไม่ต้องไม่ต้องตามมันไปแล้วก็ไม่ต้องต้านมันทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยความจริงก็จะซึมซับเข้าไปในจิตใจของเราแล้วก็ทําให้ความเชื่อเดิมๆที่เราเรียกว่าเป็นความหลงเหลือวิชาเนี่ยมันก็ค่อยสลายหายไปและสุดท้ายใจมันก็ยอรับความจริงได้เรียกว่ามันจํานุนต่อความจริงจากเดิมที่เห็นของจริงเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆท้ายมันก็ยอมรับความจริง ที่กายและใจได้บอกที่สรรพสิ่งได้แสดงนะอันนี้แหละที่จะทำให้เกิดปัญญานะจนจิตสามารถจะเป็นอิสระจากความยึดติดถือมัน่นแล้วก็พ้นจากความทุกข์ได้นั่นก็ให้เราหมั่นฝึกนะหมั่นดูดูของจริงไปเรื่อยๆนะโดยอาศัยสตินี่แหละนะเป็นเครื่องมือแล้วเมื่อเห็นของจริงไปเรื่อยๆความจริงสักวันก็จะปรากฏแก่ใจแล้วก็ยอมรับมันได้ คำเดียวเพื่อเท่า น, นี้กลับพระ